ตอนเทศนาของสมเด็จพระพุท ธ, ธาจาย์โตเนื่องในวันมาคบูชาสแสดงเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2515ขอท่านสาธุชนทั้งหลายจงทําใจให้สงบให้สว่างสวัย และย้อนรำลึกไปอีก 2,500 กว่าปีเศษถึงบรรยากาศในเวรุวนารามคืนนั้นพระจันทร์วันเพ็นส่องแสงนวลกระจ่างภายใต้ร่มครึ้มเงาแห่งแมกไม้อรหัตตสาวก1250รูปผู้บริสุทธ์รับฟังคำสั่งสอนของพระาศาสดาผู้เป็นเลิศในถวยเทพและมนุษย์ทางปวงจงทำใจให้สงบและนึกถึงบรรยากาศในเวลานั้น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 ทุกคนต้องการความพ้นทุกต้องการความสบายไม่เดือดร้อนใจแต่และคนเมื่อเห็นเมื่อได้ยินเมื่อรู้สึกกลิ่นเมื่อรู้สึกรสและได้รับสัมผัสทุกคนคิดไม่เหมือนกันทั้งนี้เป็นเพราะเหตุอันใดเล่าเมื่ออัตมาภาพมีชีวิตเป็นโอปปปาติกะแล้วจึงได้ทราบข้อความนี้ชัดเจนยิ่งขึ้น คนเราสะสมวิบากมาไม่เหมือนกันอัตมาภาพจะยังไม่ให้ข้อคิดยาวนักร่างทรงที่อัตมาภาพใช้นี้เรายังต้องใช้ไปอีกนานเอาข้อคิดไปคิดเก็บไปคิดเป็นการบ้านเหมือนอย่างที่พระพุทธองค์ส่งบัญญัติข้อความให้เราทราบและเราก็ต้องคิดตามความแก่ความเจ็บและความตายเป็นสิ่งที่ทรมานมากยิ่งนัก ทุกคนกลัวความเจ็บกลัวความตายและกลัวความแก่แต่ถึงกระนั้นทุกคนจะกลัวจริงๆเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเท่านั้นเมื่อความเจ็บมาถึงความแก่มาถึงและความตายมาถึงเท่านั้นจึงจะรู้สึกทุกทรมานจริงๆแต่สิ่งที่ทุกทรมานจิตใจอยู่ไม่ว่างเว้นแม้แต่ขณะจิตเดียวนั้นคือการพลัดพรากจากสิ่งที่รัก และเมื่อปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้อย่างที่อยากจะได้อันนี้เองทรมานจิตใจมนุษยชาติทุกผู้ทุกคนทุกขณะจิตไม่ว่าหลับหรือว่าตื่นจึงก่อให้เกิดไฟไปทั่วโลกทุกคนต้องการพ้นทุกขต้องการที่จะไปให้พ้นจากสภาวะนี้แต่แล้วก็ไม่พ้นเหตุใดเล่า พระพุทธองค์ทรงบัญญัติว่านานยตระปฏินิสักขาโสดถิงปัสามิปานิหนังเราไม่เห็นว่าจะมีสิ่งใดจะเป็นความสวัสดีแก่มนุษยชาติเว้นไว้แต่ความปล่อยวางเท่านั้นสาธุชนทั้งหลายต้องศึกษาเรื่องการปล่อยวาง จบเทศนาธรรมของหลวงพ่อสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์โตข้าพเจ้าได้นำเทศนาของหลวงพ่อสมเด็จมาลงอีกสองกันและนับว่าเป็นการสุดท้ายสำหรับในระยะนี้เทศนาที่แสดงเมื่อวันที่18บแปดพฤศจิกายน2514ไม่มีอะไรที่จะต้องอธิบายเพิ่มเติมเพราะทุกบททุกตอน ท่านพูดเอาไว้อย่างแจ่มแจ้งแล้วแต่ก็มีข้อที่น่าสังเกตว่าในเทศนาการ น, นี้ท่านก็ยังคงยืนยันว่าท่านได้มรณภาพมาเป็นเวลาสตวัษกว่าแล้วก็เป็นอันว่าวันครบรอบร้อยปีคือวันที่14กันยายน2514ไม่ใช่วันที่22มิถุนายน2515ซึ่งยังไม่ถึง